ตั้ตบัดนี้อันตรายตาอสบ้อนตรายตายต้อนมีตัณญาไม่ไปเลือกหลังมีประโยชน์มากสมัยก่อนการเสวยเงินทงวัดนี่เมื่อก่อนโดยอย่างยิ่งเมื่อเป็นอุบาย ผู้มานั่นเองถ้าเราเข้าใจในืการปฏิบัติทุกคนเนี่ยมันก็ไม่เหนืนอดยมากอาจารยป่าสมัยคณะปฏิบัติสมัยคณะธรรมวัดนะสมัยท่านอาจารย์รรวัดปฏิบัติผูอกอยู่กันไปเฉยๆวันละรวมกันธรรวัด ตอนนีน้การประชุมกันจิตัิทยา1าร0 0คำอะไรนั่งนะไปมันมเไป ย, ยืมยืมก็ปรัหยักรประจำเจ้าของสติของเราก็ทำทำได้รวดทอำนัจสุดตัวเอง ตอนชาวสริตตอนวินรับสุดเราเอีกทาเป็นส่วนตัวเราคนเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติมีเหมือนกันบางโรงข้มานานผู้ที่มีก็เข้าใจแล้วบางโรงต้อฉันชอบฉันที่ฉันใช้ ตอนเช้าตอนเย็นชอบแบบนั้นางวงจะชอบเบียดเบียดบางวงจะชอบผูกเข็มกี่เด็กน่แหละคับอย่างการปฏิบัตินี้ก็คือเป็นอุบา เปนรุ ừ, ài, s s ่ายเพื่อจะสั่งสอนจิตของเรานั ài, ่นเองสงบท่อสอนของพระนั่นจะอธบายตรงนั้นนี่ถึงจะอธิบายให้เรารู้จักความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเรา ที่เรามาบวชในพุทธศาสนานี้เพราะทุกท่านขอ ง, งเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้พุทธบริษัทนี้รู้จักข้ อ, ขอธประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงธรรมนในคําสอนของท่านให้ศาสนาของท่านยืนยงคงทนอยู่ตลอดกาละนานนั่นเอง มตัิบัติทุกคนทุกท่านก็ต้องอาศัยสัจจะวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นกำลังทัานกล่าวว่าเป็นกำลังทั้งห้า ห้าอย่างนี้เสนอพละเป็นกำลังที่เป็นพลังแ่พลังของจิตสัพทานสัพทาแววไหวความเชื่อถ้าพูดง่ายๆก็เดี๋ยวสัพธานนี้มันมีทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงสัททา ศรัทธามันเชื่อจิตใจของเร า, เรามันยังไมปจะเชื่อมนุษย์ทั้งหลายมันไปจะเชื่อกันพวกง่ายๆ็ดๆีว่าบวชมาอย่างนี้ก็ห้มีศรัทธาผู้มีศรัทธานั่นจะต้องเคารพครวะสระพุทธธรรมผสม อยู่เสนอระวังใสิที่มันผิดอยากธรรมในถ้าเรารู้จักผู้ปฏิบัติแล้วไม่กร้าจะทำเพราะเชื่อว่าอันนี้มันผิดอันใดมันผิดก็บ อ, อันนั้นมันเป็นอบัตต์อะไรอย่าี้ยอบัตต์ก็แปรว่ า, าผิด ไม่ใช่เรามันเป็นอย่างนี้อาบัตินั้นเป็นเรื่องทิ่เรามาประพฤติปฏิบัตใิในข้นจากความผิดถ้าเรามีผิดอยู่ก็ยังไม่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์เล่นแต่สิ่งว่าเรายังไม่รู้จกักไม่รู้จักพระพุทธเจ้าความเกลื่อนกลื่อ ศึกษาข้อประพฤติข้อปฏิบัติอันนั้นให้รู้อะไรที่ยังไม่รู้เราจะน้นเฉยเสียนีม่มันก็ไม่ได้เป็นผู้มีจิตทางเชื่อว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอย่างนี้นพูบง่ายๆมันก็ไปกันง่ายขนาดนี้น อะไรที่เรายังหลงผิดอยู่นั้นเลยอันนั้นเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักก็กอบคารพอยู่เสมอสังวรสังรวมอยู่ตลอดเวลาจะไปอาศัยคนอื่นอาศัยครูอาจารย์แนะนำํำสอนอาศัยความรู้สึกนึกคิดการปฏิบัติเราเองด้วยเรียบเทียนกันไป ท่านมรีกว่กาศรัทธาอยากไปเห็นว่าเรามีศรัทธาเราจึงจะมาบวชแต่บวชแล้วไม่ทาตามคาสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้าของเราอันนั้นเรีกกยกว่าศรัทธายังไม่ถึงที่สุดศรัทธาก็ต้องพยายามธรรม น, นิยังไม่เรียบร้อยแตใจก็พยายามอยู่เสมอเีอยกว่กาศรัทธาความเชื่อ ต้นตามันก็คือเป็นพุทธสัจาถ้าพหลักจักสัทธาแล้วมันต้องสุประโยชน์อะไรถ้ามีสัทธาแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อจะรักพ่อพิมนั้นพยายามเสด็จหาในทางมันทีถูกอยู่เสมอ พระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าเมื่อบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำตัวเป็นพระภิกษุใหม่เสนอไม่ใช่แบบเก่าให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสนอสยดสยองอยู่ต่อข้อปฏิบัติสม่งเสมอด้วยอยใจ จะยืนจะเดนจะนั่งจะนอนจนิตก็ปลาโลบอยู่ว่าอะไรไอ้ตรงนั้นไอท้ทีเราจะทำให้เดือดร้อได้โดยวิธีอย่างไรเร่จะมีความมากน้อยโดยวิธีอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นอย่างนั้น ดางรงลุกอยู่อย่างนี้เสมอใหรู้จากความผิดชอบเฉพาะตัวเราอยู่ทุกเวลาันนี้ที่ันว่าอัตโนโจพยตตนนังจงเตือนตอนด้วย ต, น เ, ตนเองอันนี้มันสำคัญกว่าเพราะว่าตน ที่สมมติมันก็อยู่ที่เรานั่งมันก็นั่งตนนก็นั่ ง, อ น, น, งนอนมันก็เรียวกว่าตนเราเรียก็เป็นตนตรงนั้นเ น, นี่อกานเรียกว่าคนอื่นมั น, นก็จะเป็ว่าวตนคนอื่นก็นตัวตนหาโอกาสเวลาที่ท่านจะได้ น, นงสอนนั้นห่างไกลจากตัวตน ตนนั่นคือตัวตนคือตัวเราที่เราเรียกว่ตัวเราเรานั่งอยู่เราคิดอย่างไรเรานอนเราคิดอย่างไรยืนไปเราคิดอย่างไรในเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่าง น, นี้เรียกว่าเราตามดูตัวของเจ้าของแต่พยายาการประทำชนิ ด, ดการเรียวิริยักษเทียย เทียนชั e ่วจะละความชั่วแต่เพิ huh? Now, ่มความดีไม่จะเทียนอย่างอื่นไอ้เทียนละสิ่งที่มนิดสิ่งที่ที่ผิดมาปฏิบัติในความผิดหมดไปเมื่อความผิดหมดไปกะเหลือแต่ความที่ไม่ผิดไอ้ความที่ไม่ผิดมีอยู่เปรียบแบบของจุลบริสุทธิ์นั่นก็จะเป็นตุเตียนวิริยาวันพระสารรถตุเตียน เราจะนัง่งจะยืนจะเรินนอนอยู่ก็ตามมีความปลาบอยู่เสม อ, อยังไงความอยากของเราอ่ะซึ่งมันมีความร่นเหลืออยู่ในใจนี้มันจะเบาลงไปมันจะบางลงไปมันจะม้อน้อยมันจะสลดมันจะมีความเห็นชอบตามธรรมะําสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้น ย oga ปลาลดความเพียรอยู่เสมอนัอ่นไม่ลืมเมื่อ ม, มีความเพียรอยู่ก็ ม, มีสติสติคือความระลึกได้อยู่ในเมืม่อเราพูดอะไรทำอะไรอย่างไรอยู่เป็นผู้มีสติเต้ อ, อยู่สระลุกอยู่เสมอ เมื่อเรามีสติรู้ง่ายมันก็รู้เรยเมื่อเรามีสติเมื่อเรามสติอยู่ตรงนั้นกันสัตว์เช่นมแมลงมุมที่มันทำรังมันที่แล้วมันมีโอกาสวัางว่ามันไปทำรังมัน ทำยาวทำผ่ า, า, านไปผ่ า, า, านมาผ่านไปผ่านมามันเป็นแงถึงอยู่ตามอากาศเมื่อมมเสร็จแฝงตัวตก็จะนอนหอยู่ที่จุดกลางของแรงนั้นๆนะเฉย อ, อยู่แต่มันนิ่งอยู่สงบอยู่ด้วยวีสติคือแฝงสัญญัติเก็บตัวไว้ในจิต ตรงกลางลังมันเนี่ยพอมาแรงวันมาแรงขึ้นมาแรงต่างๆที่มีเนื้อทาง์ใหญ่นั่นก็มีความสัมผัสสรุ่งรู้จักตัวมาแรงมือจะตึงขึ้นรีบไปจัดจับนั้นได้เป็นอาหาร เมื่อจากเสียเท้าก็เรีกมาอยู่ในจุดเก่าจุดที่อยู่เนะี่ยก็ทั้งกล้องสงบนวลมีสติรู้ว่าอะไรมันจะมาอะไรมันจะมาถูกเขา้าดวงสัมผัสเมื่อะไรมะเมแรงงงก็ถึงนเพระว่ า, มาเมแรงงมันอยู่ในสติเพรมันจ้องกินอาหารมันบำบัดบานอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา เมื่อจับแล้วมันก็วิ่งมาอยู่ที่เตาร์มันอย่างนี้เป็นอิสัยของมาแรงงูที่จับสัตว์กินอยู่มาแรงงูนั้นก็เหมือนกับใจจิตของเราจิตของเรานันอยู่จุดกลางของอายตนะอตาหูจมูกที่ตาจิต มีควารู้สึกอยู่เติมอยู่ว่าอะไรมันจะมาสัมผัสทางตาตาเปิดรู้มันก็รู้สึกมีสติอยู่รู้ความเสียงมันก็รู้สึกมันมีสติอยู่ได้กลิ่นเหม็นหอมอะไรมันก็มีแต่รู้สึกเรอู้น้ำสัมผัสรสโอชารสต่างๆมันก็รู้สึก ธรรมารมที่ม <H homepage. S 1> ันเกิดกับใจมันก็รู้สึกนี่เรว่ามันสัมผัสสัมผัสครั้งแรกมันจะรู้สึกเฉยๆเช่นหูเราสัมผัสเสียงเข้มามันมีเสียงเข้ามารูปตัดีเสียงตัวดีกิ่นตัวรสตัวดีรสจักระตดีธรรมารมตัวดีเมื่อธรรมารมตกลแล้ว นั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอกระทบ แ, แล้วมีความต่อไปมีความต่อซึ่งมันจะเกิดทีดิซึ่งมันจะเกิดปัญหาซึ่งมันจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นไอ้ทั้นแรกมันไมรู้เรื่องอะไรมันรู้สเฉย มีความรู้สึกเกินแล้ววตามติดต่อไปว่านั่นเสียงอะไรแม่ทะเลาะจริงเมื่อเห็นลูกมันก็สวยอยู่ต่อไปมันเกิดขึ้นทิ่ที่หลังต่อไปลูกนี่สวยไหยเรื่อไม่สวยไหมอันนั้นยิ่งกว่ามันกระทบต่อมามันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดตัญหามันเกิดราคะเกิดโทสะโมหะอืม ผูประพฤติษปฏิบัตินี้ก่อเนกันแั่นนั้นถ้าเราระนัดระวังอยู่สังรวรอยู่สังรวมอยู่ฤทธิ์สูมันจะรู้จักตัวของเจ้าของรู้จับจิตของเจ้าของว่าจิตเจ้าของนี้อืมมันเป็นไปนในักษณะอันไร มันก็รู้จักเมื่อเรารู้จักผิดของเจ้าของนั้นเราก็รู้จักสั่งสอนผิดของเจาของเมื่อเรารู้จักผิดของเจ้าของแล้วเราจะรู้จักสั่งสอนผิดของเจ้าของตอนนั้นฉะนั้นตัวสตินี้่เป็นตัวที่สำคัญ ม, มากที่สุดเมื่อมีสติแล้วเราสัวงวรอยู่สัวงวรอยู่ก็บรรงปัญญามา ลรกนี่มันเป็นยังไงเสียงนี่มันเป็นยังไงอะไรไมหมกัญญามาช่วยพิจนารณาอันนี้โดยสตินี้คุณค่าสมาธิสมาธิาธวีมสั้งใจมัน Lijk, สมาธิมันมันจะเกิดมาจากสมาธิเองสมาธิสมาธิถ้าพวกเพื่อนน่ะสมาธิการสับสมาธินั่นท่านหมายถึงความตั้งใจมั่นอย่างเราจะระอารมณ์สิ่งที่มันชั่ว สิ่งที่มันไม่ดีเน่ยคืนคายมันน่นในข้อประพฤติของเราข้อปฏิบัติของเราอยู่นสนาธิมันคงใจมั่นสมาธิมีหลายขนาที่เราทํากันอยู่ตุวันนี้สมาธิที่นั่นแวะหลับตากันลด อันใดอันหนึ่งนมาเป็นอารมณ์เช่นที่เราอบรมกันนี้ทํำไมถึงเอาเป็นอารมณ์อย่างอนาตานสตินี้เอาเป็นอารมณ์เอาเป็นเครื่องหมายเอาเป็นจุดเด่นที่สุดในสิ่งที่ทั้งหลายขอเราลูบอยู่นั่นเองจีตความมุ่มงหมายมให้เป็นหลัก เพรว่าจิตเนี่ยมันมีอารมณ์หลายอย่างหูฟังเสียงก็เป็นอารมณ์หนี่จงจมูกลมจีก็เป็นอารมณ์มันหลายอารมณ์ไอ้สิ่งที่มันม่หลายอารมณ์เนี่ยมันจะคงสร้างดังนั้ น, นสิ่งรื่งจุดมากๆมาเป็นอารมณ์เดียวเราจะเลือกเอาอะไรก็เอา วี่วัดเรานเ น, น, านาาี่อนอาณาปานสติอาณาปานสตินี้มันเป็นของงา่ายเพราะอะไรก็ ม, มีอยู่แล้วเรานั่งอยู่เราก็หายใจอยู่เรายืนก็หายใจอยู่นอนเราก็หายใจของเราอยู่ดังนั้นก็กำหนดเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่นใกล้ๆ เ, เป็นอารมณ์หายใจเขา้าหายใจออกอันนี้เป็นอารมณ์ เพื่ออยากจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คืออนาตาและสตินี้ไม่ให้มันถูกสร้างไปหลายอย่างโชทลาภมากมากมันมีมากแต่การมันน้อยอารมณ์มากมันมากแต่เราอาศัยเรามันมากอยากจะทําเงินมันน้อยจิตเป็นอารมณ์เดียวเราจนงยึดรวมขนหายใจเข้าออกกรรมเฉพาะตั้งนึกว่าพุทธโธ พุโทโธว่ายในใจของเราเสมอมีความละม้นอยู่รู้อยู่ตนมุนในพุโทโธนั้นอนี่ปเปรียรกว่ะมันเป็นอารณ์เมื่อเราทำไปนั่งอยู่ทำอยู่ขายใจออกก็เป็นพุโทโธหายใจเข้าก็เป็นพุโทโธ คุปโ t h ั่นกวมหมายถึงว่าผู้รู้อยู่นั่นเองเรารู้อยู่รู้ด้วยส ต, ติของเราที่เราเตื่นอยู่นะมนรู้ถ้าเรารู้จากสติของเจ้าของมีสติตอยู่เราจะรู้จากจิตของเจ้าของจิตของเจ้าของนั่นคืออะไรอะไรมันเป็นจิตเราจะจเห็นชัดคู่ที่มีอํานาจในการอาซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นเนี่ยเรียกว่าตัวจิต สมมติว่าจิตหรือใจอืมที่เรากำหนดรู้ที่ตัว ม, มันกําหนดรู้ตามรลมเข้ามันจะรู้จักลงออกมันจะรู้จักคนที่รู้ลงมันเข้ามันออกนั่นแะคูตัวจิตที่เราสมมติว่าตัวจิตถ้าเรากำหนดตรงหาใจเข้าออกอยู่เสมอนั่นแหะใครตามรู้อยู่ในเวลานั้นน้อก็รู้จักกับใครตามรู้อยู่ คนตามรู้อยู่นั่นก็เรียกว่าจิตอารมณ์นั่นก็เป็นอารมณ์จิตนั่นก็เป็นจิตก็คือผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์มันเป็นคนะตอนท่านท่านำเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิมีอารมณ์เบียดแล้วก็จะเห็นจิตของเ้อว่าโอ้จิตนี้มันเป็นอย่างอารมณ์นี้มันเป็นอย่างนู้อารมณ์ที่มันมากระทบนันมันเป็นอย่าง ที่รู้สึกอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือพุนสองอย่างนี้ถ้าหากเราไม่เป็นสมาธิไม่ทำสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวยืนยันอยู่เราก็ไม่รู้จิตของจ้กของถ้าไม่รู้จิตของจ้าของก็ไม่รู้จัดสั่งสอนจิตของเจ้กของไม่รู้จักจิตของจ้าของจิตจ้ของสร้าหมองก็ไม่รู้เรื่องจิตของใสก็ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เพระทำไมเราสั่งสอนจิตของเราพระท่านบอกว่าอืดูก่อนทิดสุดชั้นหลายข้าตามดูจิตของตนคนนั้นจะต้นจะหวงของมันวงของมันมันคืออะไร โรคหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่หนึ่งรสหนึ่งโผดผาหนึ่งทำนองลงอันนี้นะมันจะเป็นห่วงมันเป็นห่วงอันหนึง่งซึ่งจะโผล่จิตผู้ที่ไปรู้ไปรับมานั่นเองเข้าไปในอํานาจของมันเข้าไปอำนาจเข้าไปในอำนาจของความเกลียดของความรักเนี่ย ถ้าหากว่าเรารู้จิตของเจ้ของสช่นนั้นทั้งเรามีสติอยู่เราจะรู้ว่า น, นี่เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตถ้าเรามองเห็นว่าอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตแต่เราแยกกันออกเป็นสองอย่างาาเป็นสองอย่างถ้าเราแยกกันเป็นสองอย่างเราจะรู้จากจิ ต, ตนั้นไปยึดมั่นถือมันในอารมณ์อารมณ์มนั้นจะเปนเรื่องว่าโลก โรหลงอารมณ์ก็คือหลงโลกหลงโลกก็คือหลงอารมณ์ใครเป็นคนหลงก็คือจิตผู้รู้นี่นะมันหลงมันหลงตามอารมณ์ที่ดีมันก็หลงไปชั่วมันก็ูลงไปตามสุขมันก็หลูไปทุกข์มันก็หลูไปตามมันเจาตัวมันจะแทนช่ไว่ามันเป็นตัวทตน ไอ้ความเป็นจริงนั้นมันจะทุกข์เพราะว่ามันเข้าไปอุปทานมันหมายในอารมณ์ทั้งหลายเห ล, ล่านั้นเราไปเป็นเจ้ของอารมณ์ไอ้ความเป็นจริงนั้นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันคนละอย่างกันเมื่อเราเข้าไปยึดว่าอันนั้นมันดู อันนั่นมันสวยอย่างมีเป็นต้นไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆเห็นเรื่องอุปทานนั่นหมายประยุกนั่นถือมันเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาก็เรียกว่ า, านั่นนั่นเบียดบังบ่วงของปัญญามันผูกไปความพอใจมันก็ผูกไปความที่ไม่พอใจมันก็ผูกไปความสุขมันก็ผูกไปอความทุกข์มันก็ผูกไป ชั่วมัก็ผูกไปดีมันก็ผูกไปอย่างนี้อืมก็เพราะว่าเราไม่รู้จักจิตแล้วมรารู้จักอารมณ์ถ้าเรารู้จักจิตของเจ้ของเราอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตนั่นเป็นตัวอย่างอถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราก็ไปเป็นเจ้าของของอารมณ์นั้นเมื่อเราไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้น เราต้องรับรองอารมณ์นั้นอยู่ติดตาอารมณ์นั้นอยู่จิตเป็นเจ้าขอารมณ์นั้นถ้าเราเห็นเจนี้ว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์เราจะองรู้จักสอนจิตเป็นเจ้องรู้จักสอนจิตเป็นเจ้อง่เรามีคสงบอยู่แล้ผูกอารมณ์ขึ้นมาเรา m u รู้จักเอออันนี้เป็นอารมณ์ อันนี้มันเป็นจิตมันก็เกิดง่ายๆมันจะอยู่ใกล้การคิดตันงเหมือนกับน้ำมันนักผามันมีน้ําหนักต่างกันยจะใส่ในขวดเดียวกันก็ไดาแต่ว่ามัจนจะแทรกซึมต้ อ, อตันจิตกับอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นถ้ารู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิต นันก็เห็นจิตเป็นจิตเห็นอารมณ์ก็เป็นอารมณสกักแตว่าอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นแห ล, ละันเดีวกโลกเราหลงโลกก็คืองอารมณ์ย้อนอารมณ์ก็คืองโลกเอาจิตกับอารมณ์ทั่วปันกะันจนแยกกันไม่ได้แยก แยกแงนออกไม่ได้ว่าอะไรมาเป็นจิตอะไรว่ามันเป็นอารมณ์แยกไม่ได้เมื่อแยกไม่ได้พอมารู้จักรอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์เมื่อดูจักรของเมื่อมารู้จักรของก็มารู้จักสั่นสอนจิตของจักรนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทังอวรยุทั้งรวงนั้นก็เห็นชัดว่านี่มันเป็นจิตนี่ว่ามาเป็นอารมณ์ มันเห็นชัดจึนั้นอารมณ์นี่มันก็สัตว์ปะตัวอารมณ์ผนจิตก็สัตว์จิตเห็นอารมณ์ก็สัตว์อารมณ์มันเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งมันเป็นอยู่อย่างนั้นเขาเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไรแต่ไรมาเขาก็เป็นของเตาอยู่อย่างนั้นถ้าหากเราไม่รู้จัก สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ไปสัมคัสนั่งหมายมันว่าทำํำไมมันเป็นอย่างนั้นว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ตอนจองจุนนี้มันเป็นของเก่าแต่มันตั้งอยู่อย่างนั้นเดิดังนั่งจะพุทธจเจ้าจำเจ้าให้ปฏิบัติให้จิตเจริมาที่คำสอนว่าท่านทั้งหลายหรือว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันน่าตาตามดูว่าสรถอันพวกต้นเสาทั้งหลายหมกอยู่แต่จะรู้นะคงอยู่ไอันนี้เป็นส่วนของหน้าตามต่างต่างอีกต้นโพธิ์ไรงตะอคร้ผมโลกนี้มันวุ่นายนั่นก็เห็นอยู่อย่างนี้โลกนี้ไม่ใช่กามันวู่นวายมันเป็นต้องมันอยู่อย่างนั้น ที่เราตัไปใจนั enfin ่นม <cera> ันพอใจตั้มันมันก็วุ่นวายแต่รู้ความเปจริงว่าปัญญาและสกิะนที่นั่นไม่วุ่นวายถ้ามันวุ่นวายล้วก็คงวุ่วายด้วยไปถ้ามันมีปัญญาเรื่อยที่นั่นมันไม่วุ่นวายแต่คนไม่มีปัญญาแล้วก็ไปเจอที่นั่นมันวุ่นวายพระพุทธเจ้าสมมติจัดอย่างนั้นให้มาดูโลกันนี้ถือน่าสก a n ุ้ง่ากถ ก็คนขาวคือคนโง่คือคนจักคือคนหงุมกอยู่แต่คนรู้ทั้งหลายรู้แล้วในความอยู่ที่นั่นในวุญนายที่นั่นในขัดข้องก็เพราะเห็นว่าของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้พื้นฐานของการปฏิบัติพื้นฐานของการเห็นของการประพึตปฏิบัติมันจะต้งเป็นอย่างนั้น ไมารู้ถ้าเรามาร่รู้มันก็เป็นโผไม่รู้ก็ไปยึดมั่นไปถือมั่นมันตลอดกาลตลอดเวลาอารมณ์อันนี้มันมนาสตาก็มีหูจะมีจมูกจะมีรินก็มีมตายจะมีเกิดมาการจิตเฉยๆตรงนี้อืซึ่งก็รู้สึกเป็นมาเดียวนั้นทั้งๆในเวลานั้นตาหูจมูกริมตาย ในสั้นัดถูกต้องเท่าไรแต่ว่ามันเป็นธรรมารมซึ่งเป็นตำเก่าที่มันจก็บไว้ในเวลานั้นมันระเบิดขึ้นมาอยู่ที่ใจเพราะว่าในเวลานั้นไม่ได้ยินไม่เห็นไม่อะไรไปตามทีเถอะแต่ว่ามันมีอยู่มันเป็นของเก่ามันจะเป็นธรรมารมเป็นธรรมอารมณ์ นี่เดี๋ยวก็เป็นความอารมันสังน่องแง่อยู่ในใจเลยเดี๋ยอุปาทิภัณย์อุปาทิภัณยเมื่อมันใ น, ในช่องอะไรมันกระเโิดขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาเกิดความยินร้าขึ้นมาอันนี้คือของเก่าที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นตาเขาไม่ต้องเห็นหูก็ไม่ต้องได้ยินจมูกเขไม่ได้กลิ่น เล่นก็ม่ได้รตายก็ไม่ปวดตะบับในถูกต้องแต่ว่ามีอารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นมาเฉยๆเกิดที่จิตที่มันเกิดชนาที่สิตนั่นจิตนันก็ยังหลงของมันอีก้วยยัยงไปหลงรักยังไปลงไส้อยู่นสถานที่นั้นอีอืมนี่ถ้าเราเห็นตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้ เราทำสมาธิเห็นชัดอยู่อย่างนี้อน้องก็พยายามดูที่มันเกิดแล้วมันก็หลับมันเกิดแล้วมันก็ะดับกระดับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็ะดับมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นมันไปทํำไมใครถึงนั้นเนี่ยที่พระโยคาวาจาร์ตาเห็นชัดว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งตอนนั้น นี่ะันั้นนัเกิดแล้วมันก็ะดับไปหลับแล้วก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ะดับไปเขาคงมีสภาพท่านเห็นจิตอันนี้มันเป็นของเกิดดับอยู่านั้นนั่นไม่ เ, เป็นตัอย่างอือดีถ้ารู้ชัดมันแล้วมันก็เกิดดับเขรามันดีอย่างนี้ยก็เหมือ น, นโลกเนี่ยคเวลามื่ี่สว่างเมืนอก็สว่าง ถึงเวลามันมืดมันสว่างมันก็เป็นทำงานน้อย่างนั้นแต่คนที่ยุ่งในการงานก็กรเหายโทษเพราะว่ามันมันมืดเรไปหรือมันสว่างโรไปอย่างนี้ถ้ารู้ตามเป็นจริงของงานแล้วมันเป็นเลื่อนของมันเป็นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเยอะกว่าเรามันลงมประทุษเจ้าประทุษประทุษ ให้ปฏิบัติเพื่อห้ายลงเพื่อให้มันหายล ง, ง, ยลงลขาางั้นโยบายการอยู่ไปอยู่พวกเราเองเนี่ยให้ศึกษาศึกษาให้เขถึงความจริงเมื่อจิตสงบมันมีสติอยู่มีสัจธรรญยะอยู่เป็นสมาธิอยู่มันเป็นเจ่ง ท, ที่สงบระดับ เมื่อมันเห็นอาการทางหลายมันเปลี่ยนเป็นนั้นนั้นก็เกิดการวิเคราะห์อิจาร์ขึ้นมาอืมขช่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นสิ่งที่มันเปลียนอยู่นั้นอยู่เสมอแม้จะเห็นอาการของมันการความเป็นจริงของมันรู้ว่าว่ามันเป็น่ยนของมันอย่างนั้นอยู่ เมื่อเห็นัฒเช่นนั้นเราก็ไม่ไม่ต้องไปเพื่อะไรมันขึนอีไม่ต้องไปถอนอะไรมันอีกเรอยู่ตามตัวหนูมันเช่นนั้นแตคนที่จะเพิ่มอะไรมันม า, อาถออะไรมันมาคือคนของอรมมันมนเกิ ด, ดยุ่งเกิดยุ่งวายเกิดความไม่สงบที่พระพุทธจาก่อสนให้เห็นโลก ตัวโลกเื่องมันตามเป็นจริงอยู่แล้วมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนั้นท่านเห็นชัดเลยปัญญาว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีทางจะแก้ไขเลยท่านให้แก้ไขตั ว, ต, วตัวเราเองแก้ไขความเห็นเราเองแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่ไปแก้ไขอย่างอื่น ถ้าเราไปแก้ไขอย่างนั ang, ้นก็รู้ว่ามันเป็นภายนอกนึกจาระเหตุมันเกิดมาจากนั้นแค่เรามองดูรูปดูเรฟังเสียงเราก็เห็นว่ารูปนั้นมันเราไม่ชอบมันหรือเสียงนั้นเราไม่ชอบมันก็นึกว่ารูปนั้นเป็นเหตุที่ให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่าเสียงนั้น ทำในใจเราสดายต่อห น, นึ่วารุขมันเป็นเหตุเสียงมันเป็นเหตุแต่ความจริงๆนั้น เ, เหตุไปอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเหตุอยู่ที่จิ ต, ตอจของเจ้าของนี่เองถ้าเรากไปสัมคันนั่นหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ แต่ความเปจริง น, นั้นมันเหตุเกิอดอยู่ที่เราเราไปเข้าใจว่ามันเหตุเกิอดอยู่ที่รูปเสียงสิศแต่ความเปจริง น, นั่นมันกระทบถูกต้องมันเกิดจากความเห็นนี้เองอันนั้นต้องจะอยู่กภาพต้องอย่างนั้นนี่แต่ไปอย่างองื่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะจิกจัดให้พุทธบริษัททั้งหลายมารู้โลก มารู้รองนี้ทห้มันเจ้ามันรู้เรื่องอตามความเปจริรรงของมันการู้าตามความเป็นจริงของมันแล้วก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันผลตามมันจะ้ะปัญญารู้เท่าสังขาร บาตรทั้งามันเป็นจริงอย่างไรรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นด้วยปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงอันนั้นคือความจริงทุกอย่างหูเราได้ยินประเดี๋ยวอายตนะทั้งหลายที่มันวอยู่นี่มเราได้ยินตัก็จัดจะทม การสัจจะทำตงนั้นเนี่ ย, ย, ย ม, มันคือความจริงตรงนั้นเนี่ยแต่เราไม่รู้จักความจริงมันกลยเป็นของจอมไปแล้วก่อไปพุงพุ่งเนีมันเป็นอย่างนั้นก็อพุ่เนเป็นอย่างนี้ก่ะจายเนี่ยเป็นอย่างนั้นก ร, นนก ร, ระแายมันเป็นับเป็พุงไปยังอุไม่เคยเป็นนั่นเป็นของมันอยู่อย่างนั้น ถ้าเราเห็นฟังก์ชันเช่นนี้เราก็รู้จักสัง่งสอนจิตของแต่ฟองแล้วว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอารมณนั้นมันก็สัตว์ว่าอารมณ์เท่ น, นั้นมันไม่ได้ทําใหม่ใครจิตนี้ก็สัตว์ว่าจิตเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตงเราเขาเรียกว่าจิตนะ คนที่เกิด ก, ก็มันมีอะไรทันไ ใ, ใ, ใครถึง น, นั้นอารมณ์ัก็เป็นเรือ่อนิจจังจิตันก็เป็นอนิจจังตัดผ่านไปในต่างขอบเวแม้ต้ อ, ม, ม, ตอมีใจมากก็รู้ว่ามันเป็นนั้นผลอารมณ้นเกิดดับก็ดีเห็นอรณ์ดีกตามอรมณ์ชั่วก็ตามต่อเรี่ยวป่ามันจะอนิจจังตรงนั้นนะ แต่โคตรกันยามีหน้ากา็คือตัวอนิจจังเนคือตัวพระพุทธเจ้าเน่ยตัวปัิจจธรรเนี่ยตัวที่จะทำพระพุทธองค์ของเราเกิดยจะเป็นพระพุทธเจ้าสางวกทั้งหลายทุกวันกันแนั้นถ้าเห็นอนิจจังชัดเจนนันก็เป็นพระสมบูรณ์เนอิจังเนเป็นของในเที่ยง ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณทุตทานมัน่นหมายมั่นโต้ในปัจจุบันั่นถือนั่นในขันธ์ทั่ห้าถ้าปัจจุบันเป็นขันธ์ทีห้ามเป็นกองแล้วมันจป็กอ้อนกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนี่จะเปขันธ์หา้า คือมันมีห้านนกองกระพุทธเจ้าทรงมีพิจนาขันห้าใครมันจะทุกข์ขันหาน้ามีมันจะทุกข์กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังสารกองเหน็นญาณเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเา้าโดยใสเหตุเลยแต่ต่างควาเป็นจริงแล้วอันนี้มันเป็นขันห้า โลกโดยธนาสัญญาสังสารเยนญาณี้ก็มาเจตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เรียกว่ากองห้ามันเป็นก้อนมันเป็นกองห้ากองกองรูปมันเองนกองกองโดยธนาก็คือกองสุกกองทุกข์นั่นนันจะเป็นกองสัญญานี้มันจะเป็นกอง สังขารนี่ก็เป็นกองยิน ญ, ญาณ น, นี่ก็เป็นกองไอ้จริงมันเป็นกองเป็นกองนั่นเรียกว่ามันเป็นตอนคนเราคนคนึงมันมีอยู่ห้าก้องหรือ ม, มีอยู่ห้ากอ ง, งกองรูปกจมีกองเวทนาจะมีกองสัญญาจะมีกองสังขารกองยิน ญ, ญ, ญาณเราจะอยู่จะได้เราขันหานี้อท่านจ่ก้อนเรียกว่าเป็นกอง ผู้ที่จะมีความทุกข์มีความแย่ตอนก็เพราะยึดเอาข้อนี้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใครมันจะทุกข์ขันห้านี่มันเป็นทุกข์เพราะเห็นขันห้าเนืเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่คือยึดหมายถจริ่งทๆในเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา อันนี้มันตรงกันข้ามเลยมันตรงกันข้ามเท่านั้นเนี่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตรงเราเข้าใจว่าตัวกับตนสิ่งที่ไม่ใช่เราใช่เขาแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฐิความเห็นผิดจากหลักธรรมเมื่อมันผิดจากหลักธรรมะม่นก็เกิดทุกข์ ก็สิงทั้งหลายแล้มันเป็นก้อนเฉยๆมัน เ, เป็นก้อนเนอนอหาอย่างอื่นนอกนี้ไปนมีเรืทุกข์เรื่องตะทุกข์หลับไปแล้วองตะศุกเกิดเป็นเรื่องตะศุกกระดับไป ม, มันไม่ยังย่งยู่หารองดูมันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจะเรียกว่าอาการปัญาเ น, นี่ยมันไม่เที่ยงแต่คนเราทั้งหลายมองมาเห็น บอกเป็นของที่ไม่บอกขัดแย้งกันไปตลอดเวลาที่ท่านเห็นธรรมะก็คือท่านเห็นตรงนี้ท่านตัดรู้ธรรมะก็คือตัรู้ตรงนี้ไม่จะรู้อย่างอื่นมันเห็นชัดไปด้วยสันห้ายมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตมันก็ปล่อยวางพอจะเห็นว่าสันห้ามมันเกิดแต่รดับไปเท่านั้นมันเนกิดดับ เนจริงแค่นั้นเปิดดักอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนี้จะไม่รู้จะไปทำอะไรมันยิ่มันเห็นที่ถูกต้องฉันนง่ายๆคิดง่ายๆอย่างนั้นเกิดดักตัวหนึ่กเบี้ยก็เกิดขึ้นมาลูกเบียก็ ด, ดกั ก, กดดไป หาสิ่งใดจะมาเกิดดับในนี้นอกจากสุข ก, กับทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดแยกประดับไปสุขเกิดแยกประดับไปมันเป็นเรื่องของสันนี้ฐานถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายแบบนี้ก็บบ น, นั้นกพรว่าเราจะไม่รู้ธรรมะถ้าเรารู้ธรรมะก็เห็นเรื่อ ง, งทั้งหลายแบบนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้หมดทางที่จะแก้ไขนเรื่องปิติโลก เห็นจริงเห็นโลกว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นก็ไม่ตรงเครียดใสมันถ้าเห็นในใจก็สบายก็สบายเห็นโลกอันนี้กาเป็นจริงแบบนั้นการจะเห็นการดูธรรมะการดธรรมะคือเห็นรูกเห็นนามนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ในห่ิทั้งหลายวายน้นเราจะเห็นออกจากตัวของเราออกจากตนของเรามันก็เลยเป็นคนเป็นสิ่งที่ว่าไม่มีตัวตนมีฐานะหน้าได้ยากหนึ่งที่ว่าว่าพระารีบุตซึ่งเป็นนายการของพระพุทธมันตมีบุตรจะอไปฟุดงจะไปผ่ามปัญหาด้วยที่พราสารีบุต ถามปัญหาของพระคุณตนีบุตรท่านคุณตนีบุตรท่านจะออกไปทูดลงถ้ามีคนมาเดยนถามท่านว่ารูปเบษนาสัญญาสังสารยินยานมีตายโลกเป็นอะไรท่านถาม พระพุทธมัทิติบุตรบอว่วาโอเคธนาสัญญาตา่างๆยันสวดแย่ดับไปท่านไม่เห็นว่าท่านสวดแย่สันดับไป ต, ตรงนั้นมันมีท่านไม่มีตัวไม่มีต้นไม่มีเรามีเขาท่านก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าอพระคีรีสุตายแล้วเป็นอะไรไม่เป็นอะไรท่านจะเห็นเฉพาะเพียงว่า รูปเวตนาสัญญาสังสามยินยานเสื่อมเสื่อมดับไปพระสารีบุตรที่เป็นอาจารย์กับพอใจไอาจา้ความเห็นคขามรู้สึกว่ามันมีไปได้แนละ้วท่านก็แปลพระคนนุมรตินีบุตรไปสุลกนี่ท่านถามอย่างน้นเพื่อ สอบความเข้าใจของรู้สึกเมื่อรู้สิกตอบมาตามความเป็นจริงจนนั้นแนบต่อนั่นหมดตอบแล้วหมดที่จะเข้าใจว่าตัวหรือตนตรงนั้นมันมีพระกินาศตายแล้วเป็นเป็นไงพระกินาสศประตูตูซิ่นแต่ซึ่งยีดีสงหายแล้วตายได้เป็นไง ถ้าคนในมันจะมีรู้แล้วว่าท่านประสบมาแล้วว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นท่านมาเห็นมันมีอะไรเห็นแะเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังสารเยนญาณิเกแล้วดับไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนั่นก็พ้นที่ตายแล้วพ้นที่ตายแล้ว อย่างโมกขลาศเห็นจิญยาตาทำเป็นทำที่ไม่ตายถ้าถึงจุดอันนั้นเนะ่ยไม่ตายทำไมถึงไม่ตายตาแล้วมันมีคนมันมีสัตว์ถ้าเรามีคนก็ไม่มีใครจะตายไมีสัตว์ก็ไม่มีใครจะตายไอ้ความเห็นชัดแล้วมันพ้นจากตัวตนเราเขา ผลเสร็จข้ามมีกองดินกองน้ำกองไฟกองลมผลจะการข้ามีแต่รูปมีแต่เวทนาสัญญาสัญญาลี้านมีคนไม่มีค น, คนตรงคำามที่พระเบียนถานพระพุทธเจ้าว่าพระเป็นเจ้ า, นจาคนตายแล้วเกิดจริงไหม ต่พุทธเจ้านยอดถาวมว่าครามใครจะมาเกิดมาตายอยู่ที่นี่ถ้าคามมีความเห็นเช่นนั้นก็เหมือนกันกันนบที่ว่าลูกสอนหนังแทงหัวใจคามอยู่แถวนั้นขวงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันเอาออกยากมันเห็นยาก คือมติดสมมติมันเห็นสมมติติดสมมุติถ้าเราเห็นสมมติเห็นมีมดตามความเนจริงแล้วามันสบายไม่มีใครเิดไม่มีใครเสดไม่มีใครเจ็บ ไ, ไ, ไม่มีใครตายโลกโยชนาสัญญาสังสารวิญญาณมันเป็นไป ถ้ามันเกิดเปนนั้นอะไรมันจะเกิดเป็นที่ไหนมีไหมไอ้ความโรคจะเกิดเป็นมีไหมไอ้ความโกรธจะเกิดเป็นมีไหมไอ้ความหลงจะเกิดเป็นมีไหมสิ่งทั้งหลายลวันนี้มันจะเกิดขึ้นอะไรเพราะคนเพราะสัตว์ถ้าการเห็นมันพ้นไปจากสัตว์มันพ้นไปจากคนแล้วที่เดียมันจะเกิดเป อ, อะไรมไม่นมีที่บอกนั่นต้องมีกิรยิย ล โ, โ, โลบโกรดหลงเราก็โมดไปเพราะสิ่งทงั้งหลายด้านี้มันเกิดกักรเกิดกัตวนุ์เกิดตัวตนเกัดรกเราเกับเขาท่านเห็นหน้าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแลนะ้วมันจะเกิดกับอะไรนั่นธนรมอพูดถึงที่สุดของธรรมะ นักจิราตามไม่ทันนักจิราหาไปเห็นคนไม่เห็นนักจิราตามไปทันนัจิราจะดูความตายตามไม่ทันขั้นเป็นู่ที่ไม่ตายม <c oughs> ันจะตายตั้กตัวตนรู้สัตว์แตมันพ้นจากตนรู้สัต์แล้วไม่มีอะรที่จะตาย ไม่มีอะไรที่จะเกิดจะดับที่ตรง น, นั้นไม่มีคร้บอันนี้เป็ความหมายที่อพระพุทธเจ้าขอเมีพุทธประสงค์อยากจะให้เราเห็นอย่างนั้นพ้นจากความเกิดความแก่ควาตายทุกข์ก็จะไ ม, มีไม่มีทุกข์ทุกข์ก็จะหมดทุกข์ก็จดับอันนี้ท่นานพิจารณ ให้ปฏิบัติมัอนต้นจากพุกถ้าเราไปยึดนั่นมาเป็นตัวเป็นจนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อย่างนี้มันก็เกิดแตกเกิดตายอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่คนพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นเดิมไปก็ไม่มีอะไรมีแต่ขันห้ามีแต่กองลูกกองเวทนากองสัญญากองสังสารกองวิญญาณ มีเจ้าเรื่องั5 0ารงินเป็นไปตามสภาว่าของมันแต่นั้นอามีทัเยาวัเห็นออกจากตัวตนไม่มีอะไรจะขับยดึดนั่นหือนั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่า น, นั้นเป็นผู้จิตลอยวางเจ้เห็นว่ามันเป็นสภาว่าทำอันหนึ่งแ ล, น, แ ล, แลนั้นเนระดุจ่นมาประดับไปเกิดขึ้มมประดับไปนี่ก็เรื่องเกิดจักทนั อันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระธรรมสัจจเจ้าของเราที่ให้พวกพุทธบริษัททั้งหลายเป้นปฏิบัติให้เขาไปรู้อย่างนั้นให้เขาไปเห็นอย่างนั้นถ้าเขาไปรู้อย่างนั้นท่านจะเรียกว่าเราก็ปไปเห็นธรรมะรู้ธรรมเห็นอธรรม เม่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเม่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติเรื่องร้วนทางจิตของเราเรื่อง่าปฏิบัติที่เราแนะนำท่านสอนตามอยู่นี้ก็เรื่องอมไรเป็นชีลธรรมเป็นศีลธรรมสอนเรื่องศีลธรรมมีสอนเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรือเขาอย่าไปเหยียบเหยียดขึ้นปันเวกัน เป็นตัวเราเป็นเขานเป็นเราเป็นเขาอ้าสอนทำเมื่อวนนู้นก็เดี๋ยวไม่มีเรามีเขาละพูดง่ายๆนะไม่มีเรามีเขาสอนอย่างศีลธรรมนี้มันก็ต้องมีเรามีเขาอนความมุ่งหมาย ของวัดพุทธิเจ้าอย่างนั้นมีพุทธประสงค์อยากจะให้สาธั้นหลายเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นให้เป็นอยู่อย่างนั้นสงบในั่แบบสันติสงบสงบจากจากัตสงบจากวุคปนจากตัวตนจากเราจากเขาอนั่นก็ะวติการแสกนั้นที่ในทางพุทธศาสน า, าของเราตั้งตอนหนึ่งนั้น แต่ว่าพุทธมนิกายจะมีสัจธาจะมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามสั้นนินบาตยากไม่มีสัจธารมใความเป็นยืนยันนักบวชต่นนั้นอย่างพวกเราเนี่พยพวกง่ายใช่ไหมว่า แ, แต่วาาวิสัยมาแล้ว ละบาทได้ช่องมาแล้วอะไรทสงหดบสงบตะก็ที้มาแล้วเส้นวิสัยของสมณะอันนั้นเป็นที่หมายเป็น เ, เป้หา <S <S 1> <S 1> ปหมายของพวกเราทังหลายเป็้าหมายขอู้รเป็นเป้าหมายของผู้ปฏิบัติ ฉะนั้นกป็นจงสอนว่าคุตติละนั่นนะคุตติคือความเห็นมโนคือความยึดไว้คือความยึดไว้